วันหนึ่งเวลาเชา้ามันเป็นฤ ด, ดูใบไม้ผลิใบเก่าของพฤกษชาติถูกสลัดร่วงลงและเหี่ยวแห้งอยู่บริเวณขนต้นที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็มีเป็นจำนวนมากใบอ่อนซึ่งผลิออกใหม่ดูสวยงามสล่างสล่าวมองดูเรียงรายเป็นทิวแถวหน้าชื่นชมเมื่อรุฤดูนี้มาถึงเข้า แทบทุกคนรู้สึกว่าเหมือนได้อาศัยอยู่ในโลกใหม่น้ำค้างบนยอดหญ้าและใบไม้ยังไม่ทันเหือดแห้งเพราะยังเช้าอยู่พระอาทิตย์เพิ่งจะยอแสงสาดพื้นพิภพมาไม่นานนักลมอ่อนในยามเช้าพัดเชยเฉีวหอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นดอกไม้นานาพั น, นติดมาด้วยนกเล็กๆ ก, กระโดดโลดเต้น ด้วยความสำราญจากกิ่งนี้สู่กิ่งโน้นและจากกิ่งโน้นสู่กิ่งนั้นพลางก็ร้องเหมือนเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับอรุณรุ่งพระอานนุนพุทธอนุชา เดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นนี้พรางท่านก็คิดถึงสุภาษิตเก่าๆบทหนึ่งว่ากาก็ดำนกดุวาก็ดำอะไรเล่าเป็นเครื่องแตกต่างระหว่างกาและนกดุวาวนั้นแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเข้ากาก็คงเป็นกา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 และใครเป็นทุรชนท่านใคร่ครวนต่อไปถึงพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์เคยตรัสว่าที่ใดไม่มีสัตบุุษที่นั่นไม่ชื่อว่าสภาผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าเป็นสัตบุุษ ขณะนั้นเองสุภาพสตรีผู้หนึ่งถือดอกไม้ทูบเทียนและข้าวยาคูเดินเข้ามาในบริเวณอารามเมื่อนางเห็นพระอานนท์จึงวางของลงแล้วนั่งลงไหวอุบาสิกาวันนี้มาแต่เช้าเทียวหรือพระอานนท์ทักอย่างสนิทสนมข้าพเจ้ามีกิจพิเศษด้วยคือจะมาทูลลาพระาศาสดากลับไปอยู่บ้านเดิม กุศีนาราพระคุณเจ้านางตอบด้วยเสียงสั่นเครือและตั้งใจว่าจะลาพระคุณเจ้าด้วยก็พอดีพบพระคุณเจ้าที่นี่ทําไมหรืออุบาสิกาพระ อ, อนนุ์ถามด้วยความสงสัยท่านเสนาบดีให้กลับพระคุณเจ้าเมื่อพระ อ, อ น, นุ์ไม่ซักถามอะไรอีกนางก็นมัสการลา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 ท่านเสนาบดีให้กลับไปอยู่กุศนาราพระเจ้าค่ามีเรื่องอะไรรุนแรงถึงต้องให้กลับเชียวหรือเรื่องก็มีเพียงว่าหม่อมชั้นไม่มีบุตรท่านพันธุระเสนาบดีจึงให้กลับไปอยู่บ้านเดิมเขาบอกว่าหม่อมชั้นเป็นหมันเขาต้องการลูกเมื่อไม่สามารถมีลูกให้เขาได้จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไป เท่านี้เองหรือมลิกาเท่านี้เองพระเจ้าข่าถ้าเพียงเท่านี้ก็อย่าไปเลยอยู่ที่สาวัตถีนี่แหละขอให้บอกท่านเสนาบดีตามคำของตถาคตนางมลิกาได้ฟังพุทธดำรัสแล้วดีใจและโปร่งใจเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วและพระราชารับสั่งให้ปล่อยฉะนั้น นางถวายบังคมลาพระาศาสดาเดินอย่างร่าเริงกลับออกมาทางเดิมพบพระอนนท์ยังเดินจงกรมอยู่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอนนท์ทราบท่านกล่าวว่าอุบาสิกาท่านเป็นผู้มีโชคดีต่อไปนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดคงได้สิ่งนั้นสมประสงค์พระาศาสดาไม่เคยตรัสอะไรที่ปราศจากเหตุ การห้ามของพระองค์น่าจะมีเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านจงเบาใจเถิดนางมลิกาพันยาแห่งท่านพันธุละเสนาบดีนี้เป็นสตรีมีบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเครื่องประดับที่มีค่าและทรงเกียรล้ำซึ่งเรียกว่ามหาลดาประสาทในสมัยเดียวกัน มีสตรีอยู่สามคนเท่านั้นที่สามารถมีเครื่องประดับนี้คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนหนึ่งนางมริกาพญาพันธุละเสนาบดีคนหนึ่งและทิดาแห่งเศรษฐีกรุงพารณสีอีกคนหนึ่งนางกลับไปหาท่านพันธุละ ด้วยอาการลิงโลดใจแจ้งเรื่องที่พระศาสดาทรงทัดทานไม่ให้กลับไปกุศนาราพันธุระคิดว่าพระศาสดาคงทรงเห็นเหตุสำคัญเป็นแน่จึงทรงห้ามไว้เขาเชื่อในพระสัพพัญยุติยานแห่งพระพุทธองค์จึงพลอยดีใจกับชายาด้วยเข้าประคองมริกาด้วยความถนอมรักใคร่พลางกล่าวว่า ที่รักการที่พี่บอกให้น้องกลับกุศินารานั้นจะเป็นเพราะไม่รักน้องก็หามิได้น้องก็คงทราบว่าวงตระกูลเป็นสิ่งสาคัญตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบต่อย่อมขาดศูนย์พี่ไม่ปราถนาเช่นนั้นพี่เพียงทําตามประเพณีของพวกเราเท่านั้นหญิงที่เป็นหมันย่อมให้สิทธ แกสามีตนเพื่อมีหญิงอื่นเป็นพัญญาสําหรับมีบุตรสืบสกุลวงเพราะพี่รักน้องจึงไม่อยากให้น้องอยู่อย่างหน้าชื่นอกตรมพี่ทราบกฎธรรมดาดีว่าไม่มีสตรีคนใดอยากเห็นสามีของตนมีพัญญาอื่นอย่างต่ําหูตําตาน้องเป็นสุดที่รักของพี่แต่ความจําเป็นควรจะอยู่เหนือความรักมิใช่หรือ มลริกาซบอยู่กับอกของพันธุละน้ำตาไหลพรากลงอาบนันนางจะสะกดกลั้นอย่างไรก็สุดที่จะห้ามมีให้มันพรั่งพรูออกมาความรู้สึกของนางสับสนวุ่นวายทั้งดีใจและเสียใจดีใจที่มีโอกาสได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดสามีอันเป็นเที่ยรัก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 ที่จะสมปรานาไปเสียทุกอย่างทุกชีวิตล้วนคลุกเคลาไปด้วยยาพิษและน้ำตาลชีวิตมีทั้งความหวานชื่นและคืนขมเรามิได้เป็นเจ้าของชีวิตแต่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตเป็นไปจนกว่าชีวิตนี้จะตายทําไมน้องพูดรุนแรงถึงป่านนั้นพันธุระทักท้วง เฉยข้างนางอันเป็นที่รักให้เงยหน้าขึ้นมองซึ้งลงไปในดวงตาอันเศร้าซึมของมาริกาซึ่งยังมีน้ำตาคลออยู่ก้มลงจุมพิษเบาๆเพื่อปลอบใจให้นางสางโศพมือหนึ่งรูปไหล่ไปตามเรือนเกษาอันอ่อนนุ่มสลวยเป็นเงางามเรื่อยลงมาถึงแผ่นหลังซึ่งอวบเต็ม ชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักดอกความผิดหวังและความขมขื่นซึ่งมีเป็นครั้งคราวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวังและความหวานชื่นที่รักถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไรถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว คนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มพลึกอันรื่นรมได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์จะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีได้หรือน้องจงมองชีวิตในฐานะเป็นสิ่งรื่นรมและสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นจะไม่เป็นการหลอกตัวเองไปหรือ มาริกาเงยหน้าสบตาสามีในเมื่อชีวิตมิได้รื่นรมจะมิเป็นการระบายสีให้แก่ชีวิตจนมองชีวิตที่แท้จริงไม่เห็นไปหรือน้องรักถ้าการหลอกตัวเองนั้นเป็นไปในทางที่ดีในทางสร้างสรรค์ให้ชีวิตนี้ชื่นสุขเราก็ควรจะหลอกลวงมนุษย์เราชอบหลอกลวงตัวเองไปในทางร้าย และเหตุร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราจะไม่ลองหลอกตัวเองไปในทางดีเพื่อผลดีจะเกิดขึ้นจริงๆบ้างพระบรมศาสดาก็ตรัสไว้ไมิใช่หรือว่าสำคัญที่ใจถ้าใจดีคิดดีทำดีและพูดดีผลดีก็ย่อมติดตามมาเหมือนเงาตามตัวบางที ที่มีความเห็นรุนแรงถึงกับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวแต่ความคิดหรือความรู้สึกของเราต่างหากที่ไปรู้สึกเช่นนั้นเขาเองด้วยกฎอันนี้น้องจะเห็นว่าในคนคนเดียวกันหรือในสิ่งสิ่งเดียวกันบางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะชังบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดี พี่เป็นอยู่อย่างนี้รูปร่างหน้าตายอย่างนี้เป็นที่รักของน้องแต่น้องก็คงทราบว่ายังมีคนเป็นอันมากที่ไม่รักพี่ไม่ชอบพี่ไม่เพียงแต่ไม่รักไม่ชอบเท่านั้นดอกถึงกับเกลียดเอามากๆก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าพี่เป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นที่รักที่พอใจของพวกหนึ่งแต่อาจจะเป็นที่เกลียดชังของน้องก็ได้แต่พี่ยอมนะน้อง ยอมให้ใครๆเกลียดได้โดยไม่สะทกสะท้านแต่ขอให้เป็นเที่รักของมริกาเท่านั้นมริกายิ้มทั้งน้ำตาคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงพอพระอาทิตย์อัสดงครู่หนึ่งดวงรัชนีก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออกลมต้นประถมยามให้ความชุ่มชื่นวิใช่น้อย กลิ่นดอกจะดอกไม้จากอุทยานปลิวมาตามสายลมกระทบคานประสาทอันไวต่อความรู้สึกของปถุชนผู้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิน่นรสและสัมผัสบนประสาทชั้นที่สามจะมองเห็นมนุษย์คู่หนึ่งเขายืนเคียงกันมองผ่านหน้าต่างออกไปทางตะวันออกครู่หนึ่ง บรุษผู้มีร่างกายกำยำสมเป็นนักรบค่อยๆ ย, ยื่นแขนโอประคองร่างสตรีผู้ยืนอยู่เคียงข้างมริกาที่รักท่ามกลางสายลมแสงจันทร์และกลิ่นดอกไม้จากอุทยานซ้ำยังมีมริกาอยู่เคียงใกล้เช่นนี้พี่มีความสุขเหลือเกินดูเหมือนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่มีความรู้สึก เหมือนวันแรกที่พี่และน้องอยู่ร่วมกันฉันสามีพันยาที่รักพี่ขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพี่รักน้องเหลือเกินเขาดึงพันยายอดรักเข้าสวมกอดด้วยความทนุถนอม ต่อมามลิกาตั้งคันและคลอดบุตรครั้งละสองถึง16ครั้งรวม32คนเป็นที่ชื่นชมสมใจของพันธุละและมลิกาเองยิ่งนักบุตรเหล่านี้ล้วนแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และสำเร็จวิทยาการอันสูงยิ่งสมเป็นบุตรแห่งเสนาบดีแขวนมคตอันเกลียงไกล ปลายรัชการแห่งพระเจ้าประเสริที่โกศลนั่นเองข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นในราชธานีสาวัตถีเป็นข่าวที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นหนึ่งสู่แคว้นหนึ่งจากเมืองน้อยสู่ตำบลและหมู่บ้านทุกแห่งประชาชนต่างโจ์จันกันถึงข่าวนี้พันธุระเสนาบดีและบุตร32คนถูกฆ่าตาย ภิกษุในอารามเชตวันกลุ่มหนึ่งนั่งสนทนากันอยู่วิพากวิจารณ์ถึงมรณกรรมของท่านพันธุละขณะนั้นเองพระอานนุ์พุทธอนุชาเดินผ่านมาภิกษุเหล่านั้นลุกขึ้นยืนรับแล้วปูราดอานอาสนะเป็นทํานองเชื้อเชิญพุทธอนุชาพระอานนุ์เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวว่าอวุโส ท่านทั้งหลายกำลังสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังสนทนากันถึงเรื่องมรณกรรมของท่านพันธุละเสนาบดีพระอานน์มีอาการตรองเหมือนจะปรงธรรมสังเวชอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวาาว่าอุโสมรณกรรมของท่านพันธุละเสนาบดี ซึ่งความจริงท่านผู้นี้คือเจ้าชายแห่งนครกุสินารานั้นก็ความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้ามากท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าครอบครัวแห่งท่านเสนาบดีรวมทั้งท่านเสนาบดีเองมีความสนิทสนมต่อข้าพเจ้าเพียงไรอันหนึ่งข้าพเจ้านั้นแม้จะเป็นพระอริยะบุคคลก็จริงแต่ก็เป็นเพียงอริยะขั้นต้นเท่านั้น ยังหาตัดความโศกและความสะเทือนใจได้ไม่แต่ที่ยับยั้งอยู่ได้ก็ด้วยมีสติคอยเหนี่ยวรั้งอยู่ภิกษุกลุ่มนั้นมีอาการสงสัยเมื่อพระ อ, อนุนพูดว่าพันธุระเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะอาวุโสกว่ารูปอื่นๆถามขึ้นอย่างนอบน้อมว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงธรรม ข้าพเจ้าสงสัยในคำกล่าวของท่านที่ว่าท่านพันธุลเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราเท่าที่ข้าพเจ้าทราบและเห็นข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านพันธุลเป็นเชื้อไขแห่งราชธานีสาวัตถีนี่เองเพราะเป็นเสนาบดีแห่งนครนี้และเป็นที่รักของถวยนครแขวนโกศลเหลือเกิน ขพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพันธุระเสนาบดีเป็นชาวกุสกุสินาราโดยกำเนิดดูก่อนสักยบุตรพระอานนท์กล่าวอย่างช้าช้าท่านทั้งหลายยังมีอายุน้อยและเป็นชาวแคว้นอื่นเพิ่งเดินทางมาสู่ราชธานีแห่งแคว้นโกศลไม่นานนัก จึงยังหากทราบความเดิมแห่งท่านเสนาบดีไม่ถ้าท่านทั้งหลายประสงค์ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ท่านฟังแต่เพียงสังเขป เมื่อภิกษุเหล่านั้นแสดงอาการยอมตามและวิงบอลเพื่อให้ท่านเล่าความเป็นมาแห่งพันธุละเสนาบุดีแล้วพระ อ, อนุนจึงกล่าวว่าปลาดอนนับถอยหลังไปจากนี้ประมาณสามสิบปีเศษเมื่อท่านพันธุละเสนาบุดียังอยู่ในวัยหนุ่มและสำเร็จการศึกษาจากสำนักตักกศิลา แล้วกลับสู่กุสินาราคนครนั้นได้รับการต้อนรับจากพัชนกชนนีและพระประยุร ญ, ญาติยางมโหลานสมพระเกียรติแห่งพระราชกุมารพันธุละเป็นเจ้าชายรูปงามศรี ส, สละอดทนและรักเกียรติเป็นราชประเพณีที่ราชกุมารผู้สําเร็จการศึกษามาจะต้องแสดงศิลปศาสตร์ให้ปรากฏแก่พระประยุร ญ, ญาต และทวยนาครวิชาที่พันธุระชนานาญมากก็คือวิชาฟันดาบและยิงธนูเมื่อมีการทดลองฟันดาบพระญาดได้นําไม้ไผ่มามัดเข้าด้วยกันมัดละหลายลําและยกให้สูงขึ้นแล้วให้พันธุลกุ ม, มารกระโดดขึ้นไปฟันพันธุระฟันมัด ไม้ไผ่เหล่านั้นขาสะบั้นเหมือนฟันต้นกล้วยแต่บังเอิญได้ยินเสียงดังกลิกในไม้ไผ่มัดสุดท้ายเมื่อพันธุระก็โดดลงมาแล้วถามทราบความว่าเสียงคลิกนั้นเป็นเสียงของซี่เหล็กที่พระญาติแกล้งใส่ไว้ในมัดไม้ไผ่ทุกๆลำพันธุระเสียใจว่าพระญาติของพระองค์ไม่มีใครหวังดีกับพระองค์เลย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 พันธุระจึงไม่ปรารถนาจะอาศัยในกุสินาราต่อไปเพราะรู้สึกอับอายที่ฟันไม้ไผ่ให้มีเสียงดังอวุโสธรรมดาของชายใจสิงนั้นย่อมรักเกียรติและศักดิ์ยิ่งนักจะไม่ยอมอยู่ในที่ไร้เกียรติเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่าไม่มีเกียรติพอในกุสินาราท่านพันธุระ จึงตั้งใจจะไปอยู่เมืองอื่นแต่จะไปไหนทรงระลึกถึงพระสหายร่วมสํานักศึกษารุ่นเดียวกันอยู่หลายคนในที่สุดทรงมองเห็นประเสณธิกุมาลแห่งสาวัตถีว่าพอจะอาศัยอยู่ได้เพราะเป็นพระสหายที่รักใคร่กันมากและประเสณฐทิกุมาลก็ทรงมีอัธยาศัยดีจึงส่งสารไปทูลความทั้งหมด ให้ประเสณที่ราชาทรงทราบ พ, พระเจ้าประเสณที่โกศลทรงพอพระไทยยิ่งนักที่จะได้พระสหายร่วมสำนักศึกษาและปรากฏเป็นผู้มีฝีมือเป็นเลิศมาทำราชการในราชสำนักแห่งพระองค์อย่างน้อยอย่างน้อยพันธุละคงจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์อย่างดีเลิศพระเจ้าประเสณทิโกศลทรงให้จัดการต้อนรับ พระสหายอย่างมโหลานและทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีเป็นที่ปรึกษาราชการทึงปวงทันธุละทำราชการด้วยความรู้ความสามารถอย่างดีเยี่ยม วันหนึ่งขณะที่พันธุระกลับจากธุรกิจบางอย่างและผ่านมาทางโรงวินิจฉัยเมื่อประชาชนเห็นท่านพันธุระจึงขอร้องให้หยุดและให้ช่วยวินิจฉัยความเพราะคําวินิจฉัยของผู้พิพากษาไม่เป็นที่พอใจของคู่ความผู้พิพากษากินสินบนคู่ความข้างใดสามารถให้เงินทองแก่ผู้พิพากษา คู่ความข้างนั้นก็จะชนะส่วนฝ่ายที่ยากจนไม่มีเงินทองแม้จะถูกก็กลับกลายเป็นฝ่ายผิดประชาชนเดือดร้อนและขมขื่นมาเป็นเวลานานสุดที่จะทนได้อาวุโสธรรมดาว่าความอดทนของปุถุชนนั้นย่อมมีขอบเขตเมื่อเลยขอบเขตที่จะทนได้ต่อไปก็จะระเบิดออกมา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 ก็คือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมรู้จักละอายใจในการสแสวงหาความสุขสําราญบนความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระาศาสดาจึงตรัสว่าความละอายใจในการทําชั่วและความกลัวต่อผลอันเผ็ดร้อนของความชั่วสองประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกให้สงบสุขโอกาสสําหรับการทําชั่วนั้น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 ท่านพันธุละเสนาบดีแม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวินิจฉัยความแต่เมื่อประชาชนขอร้องท่านก็ต้องทําและเมื่อวินิจฉัยไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่พอใจของมหาชนอย่างยิ่งทําให้เจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทําผู้ทุจริตให้พ่ายแพ้ประชาชนชื่นชมยินดีโหร้องขึ้นอึงขันึง จนได้ยินถึงพระเจ้าประเสรทิทโกศลพระองค์ตรัสถามเรื่องราวทรงทราบความแล้วทรงโสมนัสยิ่งนักจึงทรงตั้งท่านพันธุระไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยเรื่องร้ายในโรงวินิจฉัยสงบเรียบร้อยตลอดมาแต่ท่านทั้งหลายก็ต้องไม่ลืมว่าคนดีก็มีศัตรูเหมือนกัน และคนที่เป็นศัตรูของคนดีนั้นคือคนร้ายเมื่อคณะผู้พิพากษาผู้กินสินบนชุดเก่าถูกถอดออกก็โกรธเคืองและเกลียดชังท่านพันธุระยิ่งมหาชนเคารพยกย่องท่านพันธุละมากเท่าใดคนพวกนั้นก็ยิ่งเกลียดชังท่านพันธุระมากขึ้นเท่านั้นความเกลียดชังที่เกิดจากความไม่ดีของผู้อื่น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 เรื่องจะต้องถึงพระกันพระเจ้าประเสธิที่โกศลและก็เป็นจริงสมคเนเรื่องที่ยุแย่ให้เกลียดชังก็คือรัชสมบัติพันธุละต้องการจะแย่งรัชสมบัติดูก่อนท่านผู้สืบอริยวง พระอานุ์กล่าวต่อไปเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับสตรียิ่งไปกว่าทราบว่าสามีอันเป็นเท่รักของตนแบ่งใจให้หญิงอื่นเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับบุรุษยิ่งไปกว่าถูกยามเกียรติว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับคดชะสารยิ่งไปกว่าถูกเห็นร่วมสังวาสกับนางพัง เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับแม่งูยิ่งไปกว่าถูกช่วงชิงไข่เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับพระราชายิ่งไปกว่าถูกแย่งรัชสมบัติอาวุโสด้วยเหตุนี้พระเจ้าประเสณที่โกศลเมื่อทรงเชื่อว่าท่านพันธุระชิตขบดก็ทรงวางแผนสังหารท่านพันธุระทันที พระองค์ประสงค์จะยืมมือทหารของพระองค์ให้ข่าท่านพันธุละจึงกุกข่าวขึ้นว่าปัจจันตชนบทแห่งแคว้นโกสนมีโจรกลุ่มหนึ่งกำเริบใจที่ยวปล้นและฆ่าชาวบ้านอย่างทารุณทำบ้านมีให้เป็นบ้านทำนิคมมีให้เป็นนิคมพระองค์ทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่จะปราบได้นอกจากพันธุละเสนาบดี เมื่อท่านพันธุละพร้อมด้วยบุตร32คนเตรียมเดินทางไปปัจจันตะชนบทนั่นเองนางมลิการู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกพี่คนอื่นในเมืองสาวัตถีนี่ไม่มีอีกแล้วหรือนอกจากท่านพันธุละนางถามอย่างกังวลเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การเราก็ต้องไปท่านพันธุละพูดอย่างเครียด ทำไมเรื่องโจรปล้นชาวบ้านเท่านี้เองจะต้องสั่งเสนา บ, บดีไปปราบเพียงแต่ตำรวจหรือทหารธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วนางมลิกาทวงน้องรักท่านพันธุละยังคงพูดอย่างเคร่งขรึมนี่ว่าพระองค์ส่งพี่ไปปราบโจรแม้พระองค์ทรงเห็นว่าพี่สมควรจะปราบควายเปรียวแล้วสั่งพี่ไปพี่ก็จะต้องไป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 น้องไม่เคยสังหรณ์และวิตกกังวลเหมือนครั้งนี้พี่ไม่ไปไม่ได้หรือนางพร่ามพลางกอดเอวของเสนบดีไว้พี่บอกน้องแล้วว่าเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การพี่ก็ต้องทำตามคงไม่เป็นไรดอกน้องอย่า ก, กังวลเลยพันธุระปลอบแล้วทำไมต้องเอาลูกๆไปทั้งหมดด้วยลูก ไม่ต้องไปไม่ได้หรือนี่ก็เป็นพระบรมราชองการอีกเหมือนกันเมื่อนึกถึงลูกท่านเสนาบดีก็มีสีหน้ามุนหมองลงแต่ก็กลับแช่มชื่นขึ้นอย่างเดิมในช่วงเวลาเล็กน้อยไม่เอาทีกากรายณนะหลานชายไปด้วยหรือไม่มีพระบรมราชองการให้พาไปน้องขอไปด้วยอย่าไปเลยที่รัก เป็นเรื่องของพี่และลูกๆเท่านั้นอวุโสพระอานน์เล่าต่อท่านพันธุระพูดเหมือนรู้รุ่งหน้าอยู่ตลอดเวลานางมลิกาสังหรใจเป็นความสังหรที่มีเหตุผลอย่างมากพระดอนความสังหรใจของสตรีนั้นมักจะมีมูลเหตุเสมอสภาพดวงจิตของสตรีวันไหวง่าย ดังนี้จึงสามารถรับอารมณ์อันเร้นรับได้ง่ายเหมือนน้ำตื้นย่อมกระเพื่อมได้เร็วพระสาส์ที่หกของคนไวต่ออารมณ์อันเร้นรับได้เสมอ อาวุโสเมื่อมีข่าวท่านพันธุละออกปราบโจรด้วยตัวเองโจรที่ก่อความวุ่นวายก็หลบหนีไปความจริงโจรพวกนี้ก็คือราชบุรุษที่พระเจ้าปเปเสนธิทรงแต่งไปนั่นเองและก็หาได้ปล้นหรือทําร้ายชาวบ้านอย่างข่าวลือไม่เมื่อท่านพันธุละเดินทางกลับมานครสาวัตถีนั่นเองทหารที่พระเจ้าปเปเสนธิ แต่งตั้งเอาไว้ให้ไปในขบวนของท่านพันธุละได้รอบค่าท่านเสนาบดีและลูกๆทั้งหมดท่านพูดเจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านพันธุละจะไม่ทราบแผนการของพระเจ้าประสศท t ิแต่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านพันธุละเป็นเสนาบดีใจสิงพัดพราก บ, บ้านเมืองมา และหวังจะพึ่งร่มเงาของเพื่อนเมื่อเพื่อนคิดฆ่าก็ไม่ทราบจะอยู่ไปทําไมตายเสียดีกว่าอันหนึ่งตามเขาเรื่องถ้าท่านพันธุละปราถนารัชสมบัติในกรุงสาวัตถีท่านก็สามารถเอาได้โดยง่ายแต่ความจงรักพักดีและซื่อสัตว์กตัญญูทําให้ท่านยอมตายเสียดีกว่าที่จะทําการอาสัต์อกตัญญู พระเจ้าประสท n t i นั้นเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นกษัตริย์ที่โง่เขลาและพระกันเบาด้วยข้าพเจ้าไม่โปรงใจเชื่อเลยว่าท่านพันธุระจะไม่ทราบถึงแผนการของพระเจ้าประเส e n ิภิกษุรูปนั้นพูดเสียงเครียดเหมือนจะเจ็บร้อนแทนท่านพันธุระเสนาบดีพระอนอนท์นิ่งอึ้งในท่าตรอง ท่านมองเมอไปข้างหน้ายังไร้จุดหมายทุกคนเงียบทุกคนคิดนิ่งและนานอาุสโสพระพุทธอนุชากล่าวขึ้นในที่สุดพระเจ้าเะเสนธิก็ทราบความจริงภายหลังว่าพันธุระมิได้คิดแย่งรัชสมบัติเลยทรงเสียพระไทยยังใหญ่หลวงจนหาความสุขในรัชสมบัติมิได้ แต่พระองค์ทรงรู้พระองค์เมื่อได้เสียคนดีไปอยัางจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วและสมัยที่พระองค์ทรงระลึกถึงพันธุละมากที่สุดก็คือสมัยที่มีราชกิจสำคัญสาคัญซึ่งพระองค์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองอาวุโสคนสอพรอนั้นนอกจากหาความสุขให้แก่ตนมิได้แล้ว ยังก่อความยุ่งยากแก่คนดีคนบริสุทธิ์มากมายแต่โลกก็ไม่เคยขาดแคลนคนประเภทนี้เขาแสดงอาการพิหนอบพิเทาต่อหน้าเจ้านายเสียจนออกหน้าออกตาและเหมือนแ้งทำเมื่อใดมีโอกาสดูตามลำพังกับเจ้านายเขาก็เริ่มลงมือทับถมความดีของเพื่อนและคุยเขียความร้ายต่างๆของเพื่อนขึ้นมาเสนอเจ้านาย คนประเภทนี้อยู่ที่ใดก็เดือดร้อนที่นั้นแต่ก็ดูเหมือนจะซอกแซกอยู่ทุกหนทุกแห่งถ้าไม่มีคนประเภทดังกล่าวนี้ฉะไหนเลยท่านพันธุละจะต้องตายอย่างน่าเศร้าและสังเวชใจพระอ น, นุ์พูดจบแล้วบอกลาภิกษุเหล่านั้นถแถลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค